ของการศึกษาและสัมมาปฏิบัิเป็นลำดับสืบต่อไปสมดังธรรมภาสิทว่าสติมัโต สาััทรงแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าผู้ใดมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อจเจริญเจริญเจริญในด้าน สติจเจริญในด้านสมาธิจเจริญในด้านปัญญาฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องแนแนวปฏิบัติรธรรมเบื้องต้นก็คือต้องมีสติรู้อยู่กับการนั่ง คือนั่งรู้พุทธโธเดินก็รู้พุทธโธยืนก็รู้พุทธโธแม้แต่ก่อนจะนอนก็ต้องฝึกรู้พุทธโธให้หลับไปกับพุทธโธเลย สติในเป็นตัวประธานสูงสุดในฝ่ายกุศลในฝ่ายบุญในฝ่ายสร้างสมาธิฉะนั้นจิตจะเกิดสมาธิได้แ้วต้องอาศัยตัวสติ สติตัวนี้สำคัญพยายามรักษาสติพยายามเรียนรู้เรื่องสติพยายามให้มีสติรู้อยู่กับโลมหายใจเข้าออกเสมอถ้ามันลืมก็ไม่เป็นไร นึกได้ก็ระลึกใหม่รู้ใหม่ถ้ามันหลับก็ไมเป็นไรนึกได้ก็ระลึกใหม่รู้ใหม่ฝึกอยู่อย่างเงี้ยฝึกจนกว่ามันจะรู้ตลอดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมง8ดชั่วโมง ใท่านผรู้กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยต้องฝึกให้ได้วันละแปดชั่วโมงอย่างนั้ น, นายากที่จิตดวงนี้จะนิ่งเป็นาฐานะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะจิตเราเคยท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งอื่นๆมามากแต่ถ้าเราจะให้เขาอยู่กับอารมณ์ภาวนาเนี่ยมันอยู่มันกันอยู่แป๊บเดียวมันก็ไหลไปทางอื่นละฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี่ ครูบาอาจารย์จึงนิยมให้หลับตาไงคำจริงนั่งลืมตาก็ได้แต่พอลืมตาปุ๊บมันเห็นไงตาเห็นจิตก็ไปแล้วไปอยู่กับการเห็นถ้าเราหลับตาเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ อยู่กับอรบารมณ์กรรมฐานที่เราฝึกมาที่นี่ใช้พุทธโธพุทธานุสติในอนุสติสิบี่พุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติสีลานุสติเทวดานุสติอนาปานุสติคือนึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ได้ แต่เราใช้สองตัวเลยควบเลยหายใจเข้าก็รู้โผเนี่ยเพื่อเป็นหลักใจไงหายใจออกก็รู้โทเพื่อเป็นหลักใจเบื้องต้นเบื้องต้นอให้ใจมันอยู่เสียก่อน ให้ใจมันหยุดนิ่งเสียก่อนพอหยุดนิ่งแสดงว่าเรารักษาใจได้แล้วประครับประคองใจได้รู้ใจได้รักษาใจได้ ต่พุทธองค์ทรงตัดบอกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใช้สตินี้รักษาใจสตาลักขเขเฉเจตาสาให้พิสุในครั้งพุทธาากาลเนี่ยพระองค์ตัดสัน้น เ่ให้ใช้สตินี้รักษาใจไว้ถ้าใจนี้ขาดสติใจก็ไหลลงสู่ที่ต่ำที่ต่ำนี่หมายถึงกิเลสทั้งมวลทั้งหมดสตินี้เปรียบเสมือนที่กัน้นที่กันที่กันที่กัน เหมือนกับน้ำฝนตกลงมาจากภูเขาสมมุติแล้วเราไปกั้นไว้เหมือนกับขนาทุ่งนาเขาใช้ขนากัน้นแต่เม่กั้นน้ำมันก็ไหลออกหมดใจนี่ก็เหมือนกัน ต้องใช้สติกั้นไว้ถ้าไม่กั้นใจมันก็ไหลไปตามกิเลสนั่นสังเกต ด, ดูวันคืนหนึ่งยบสี่ชั่วโมงเนะี่ยมันมีกี่นาทีที่จิตจะอยู่กับพุทธโธตั้งแต่เราเกิดมาเนะี่ยกี่ปี สิบปียสิบปีส0สปี4ี่ปีห0ปี 60, ปีเจปีนี่ส่วนมากใจเราไม่อยู่กับตัวเองใจเราไปอยู่กับสิ่งอื่นเช่นอดีตคือเรื่องก่อนๆที่เราเคยทำมาบางทีคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็คิดได้ เขาเรียกว่ามันเป็นมารมารบกวนใจมารมาขวางกั้นใจบาทีอนาคตวันพรุ่งนี้ยังไม่ถึงแล้วแล้วก็คิดว่าอารมณ์ความปรุงแต่งไปแล้วก็วจะต้องไปนั่นไปนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่คิดไปเรื่อย ก็เพราะใจะมันขาดผู้ปกครองไงผู้ปกครองใจก็คือตัวสติต้องปกครองเขาจะปล่อยเขาไหลไปตามกิเลสจะปล่อยไปก็หมดไปชาตินึงหมดไปชาตินึง ดังนั้นต้องเราจะต้องฝึกฝืนฝึกฝนอบรมบรมบ่มเพียนไปจนกว่าใจจนกว่าสตินี้จะปกครองใจได้ให้ใจอยู่ให้ใจรู้ให้ใจนิ่ง ชื่อสงบที่เขาเรียกว่าสมาธินั่นแหละฉะนั้นเราก็ฝึกให้ละเอียดขึ้นไปอีกให้มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะตัวนี้หมายถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะหันฝ่าแลซ้ายก็ต้องรู้เห็นหน้าก้มหน้าก็ต้องรู้ ละเอียดแม้แต่จะฉันข้าวทานข้าวก็ต้องฝึกรู้แม้จะฉันทานไปด้วยความหิวขาดสติแม้แต่เคี่ยวข้าวก็ต้องรู้เพื่อมันต้องฝึกทำอะไรก็ต้องรู้ทั้งนั้น น้ำแปลงฟันทำภา ร, รกิจส่วนตัวทุกวันเนี่ยต้องมีสติควบคุมไปด้วยเรียกว่ารูล้ละเอียดขึ้นข้อแรกรู้อยู่กับอารมณ์บรรมฐานคือพุทโธข้อที่สองคือรู้ สึกตัวทั่วพร้อมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะรุกจะก้าวจะเหยียดจะคู่จะไปจะมาจะดื่มจะฉันคือฝึกให้มันละเอียดขึ้นสึกให้มันละเอียดขึ้น ก็ต้องฝึกให้มีสติปัญญาสติบวกปัญญารู้การรู้เวลารู้อะไรควรไม่ควรรู้จับสถานที่ ที่สบา ย, ยะคำว่าสบา ย, ยะหมายถึงสบายสบายอาหารสบา ย, ยะให้สบา ย, ยะมีแม่ครัวแม่มกับพ่อครัวมาช่วยกันทำอาหารถวายพระ ให้โยมทางกันเนี่ยสิบสามสบสี่สบห้าเนี่ยล่ที่วัดเราเนี่ยอาหารสปา ย, ยะพอสมควรคือไม่อดอะ่ะมากี่ร้อยก็ไม่อดจะฐานที่สปา ย, ยะัหมโอ้เลือกได้เลยเนี่ยจะนั่งในสถูปนี้ก็ได้จะไปนั่งในธรรมก็ได้ จะไปนั่งสลาบนนก็นได้หรือจะไปนั่งลานธรรมนู้นก็ได้ที่ปฏิบัติธรรมเรามีตั้งสี่ห้าที่หรือลานธรรมข้างล่างนูง้นก็ได้มีคุณโนดก็สร้างตระไห้นะที่ปฏิบัติธรรมเรามีลานธรรมสองสลาหนึ่งธรรมอีกหนึ่งเป็นสี่สถูวกอีกหนึ่งเป็นห้าเข้าไหนะ แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นสมควรไปปฏิบัติที่ไหนแล้วก็ไปเราเป็นผู้ตามเนี่ยที่ไหนดีแล้วก็ไปมันส ป, ปา ย, ยะอาหาส ป, ปา ย, ยะสถานที่ส ป, ปา ย, ยะธรรมะธรรมะส ป, ปา ย, ยะไม่ส ป, ปา ย, ยะฟังรอบเชา้าพระท่านข็ เมตตาเปิดคุณอ้าําหรือท่านอื่นๆช่วยกันเปิดตีสีทั้งก็เปิดเรียกเราทำความดีแล้วไหมท่านก็ได้บุญด้วย น, นัวนแะเปิดทาไมเราฟังท่านได้บุญทุกวันนะ่ะได้ช่วยกันเผยแผ่เผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราได้ยินได้ฟังได้ความคิดได้สติสิ่งที่เราไม่เคยได้ฟังแล้วก็ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วเราก็ได้ฟังเกิดกลายความสงสัยเสียได้สิ่งที่เราสงสัยอยู่ แล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องที่นี่เน้นไปที่สอนกับสงบวัดสอนกับวัดสงบเน้นมาสองอย่างเนี่ยเท่าที่ทำมายี่สิบสามสิบกว่าปีโยมก็มาไม่ขาดทั้งปีอ่าคนสิบคน สองคนสามคนก็มาอยู่มาเรื่อยโยมเป็นทุกข์โยมก็มาอาศัยวัดมาอาศัยที่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมมาแล้วมันก็มีความสุขมาเจอพักเจอพวกเจอเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยร้อยละเกสบส่วนใหญ่ก็ดีนะ มีแค่ส0เนท่านั้นส่วนใหญ่ที่ไม่ดีเราก็ดูการคบคนสำคัญคบคนดีก็เป็นสีเกียรติตัวคบคนชั่วก็พาตัวอัปป ร, ราชัยหรืออัปะมงคลไม่เจริญรุ่งเรืองคบคนดีเหมือนกั คนฉีดน้ำหอมเดินไปไหนแล้วก็หอมไปด้วยมีคนกราบไหว้บูชาครบคนชั่วก็เหมือนก็ครบคนที่เหม็นไอที่ไหนก็ไม่ยกมือไหว้ก็ไม่เคารพก็ไม่บมูชาเห็นมพราะมันไม่ดีเขารู้เป็นไแต่ฐานที่สบายยะ มีป่ามีธรรมีน้ำตกมีภูเขามีแสงแดดมีสายลมเนรบเลยบุคคลสปายะก็ดูกันเราเองอาหารสปายะมสาสปายะทรมะเนื้อหัวทุกวันเลยเช้ามืดแล้วก็ตอนฉันข้าวอีก บ่ายเนี่ยบ่ายสองโงก็มาพร้อมกันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปตลอดเลยก็ได้เน้นไปที่สมาธินั่งให้มันเกิดสมาธินั่งหลับบ้างก็ช่างมันดีก็นอนหลับสุขภาพร่างกายบางท่านบางคนก็ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคย มันก็จะเน้นยากกว่าที่สก็สติสติในฌานฌานะแปลว่าเพ่งคืออารมณ์ของสมาธิมี5อารมณ์เบิ้องต้น1วิตก2วิญญาณ3ปิติ4สุข5เอกาตาห้า หาอารมณ์เนี่ยมันรวมมาเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เรียกสมาธิชั้นที่หนึ่งเียกปฐมฌานอิตกวิจารหายไปเหลือปีติสุขเอกาตาเดยกทุติยฌานทิ่ตกวิจารปีติหายไปเหลือสุขเอกาตาเดยกตติยฌาน ทิตบวิจารปิติสูขหายไปเหลือเอกัคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับอุเบกขาแลอยู่เฉยนิ่งอยู่เขาเรียกจะตุตตะฌานคือฌานที่สี่เนี่ยเราฝึกให้ได้ถึงฌานที่สีเนี่ยคุ้มละชาติเนี่ยตายไปก็ไปเกิดเป็นพระพรหมเลยอายุเป็นหมื่นหมื่นปีไม่ต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้ว ในเมืองมนุษย์ต่อไปนั้เป็นยุคเสื่อมเป็นคุรียุคยุคคนดีจะหนีเข้าป่าเห็นไหมอย่างพวกเราเนะี่ยคนดีหนีเข้าป่ายุคคนบ้าจะครองเมืองเห็นไหมนะมันเถียงกันมันด่ากันมันว่ากันนะ ม, มันเหมือนกับคำโบราณว่าจริงๆต่อไปก็ สติปัญญาปัญญาตัวนี้ต้องเกิดหลังสมาธินะเขาเรียกว่าญาณอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดวิชาสามหนึ่งบุเพนิวาสารสติญาณสองเกตูปาจยานสามอาสวะกายญาณคาเลกวิชาสาม จบด็อกเตอร์เลยแหละหมายถึงจบทางด้านปฏิบัตินะตอนนี้โดยสมมุติเรากำลังเรียนอยู่ปริญญาตรีกกันสมมุติสมมุติเรียนให้มันจบด็อกเตอร์บุเพนิบุเพนวาสานุสติญาณหมายความว่าระลึกชาติได้ชาติก่อนเราเกิดเป็นอะไรเรารู้หมดเลยนึกวันเมืวาน นึก ย, นย้อนไปย้อนไปย้อนไปจากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นชาติคือจิตมันละเอียดนะมันผุดขึ้นมาหมดอนะเรื่องของจิตอย่างเดียวพิชาติที่สองเจตูปายานอันนี้รู้เลยที่เกิดคนที่ตายปุ๊บเนี่เรารู้เลยว่ามันไปเกิดเป็นอะไรเรียกเจตูปายาน รู้เลยว่ามันไปนเกิดในนรก้เปเกิดเป็นมนุษย์อีกไปเกิดเป็นเทพบุตรเทิดาไปเกิดเป็นพระพรหมอะไรเนี่ยโดยอุปมาอุปไม่ว่ารู้วิชาที่หนึ่งที่สองเป็นโลกียวิชาวิชาที่สามนี่เป็นโลภุตระวิชาคือ อาสวะขยญาาอาสวะอาสวะหมายถึงสิ่งหมักดองใจเนี่ยมั Am awa, awa, awa, as awa. As awa, นมีกามาสวะทิติสวะภาวาสวะอวิชาสวะอาสวะสี่ใละทธิธรรมโทเป็นหมักดองใจเราอยู่ฉะนั้นเราต้องไปฟอก ฟอกใจชำระล้างใจด้วยทานศีลภาวนาให้ใจมันหมดไปจากอสวรทั้งสีจิตใจเราจะเข้าสู่ความสงบเย็นคือพรนนิพพานนิพพานยังเป็น็เก็เรียกว่าสอุปาทิเศสนิพพานนิพานายังไม่ตายแต่กิเลสมันดับคือไม่บุงแต่ง ใจไม่ปรุงแต่งโรคปวดหลงเฉยมีสติมีปัญญามีสมาธินิพานที่โสอนุปาทิเสสนิพานอนุอนุปาทิเสสนิพานนี่ดับปวดธาตุสขันธ์ห้าธาตุดินน้ำลมไฟดับไม่ปรุงแต่งไม่ประสมกันเองเลย นห้างรูปขันเวทนาขันสัญญาขันนก า, ารขันวิ ญ, ญาณขันเนี่ยมารวมกันละแตกกันไปหมดละเวลาเราจะตายถ้าเรารู้สึกตัวเนอะจากการฝึกเราเอาจิตมาจับกับกายเนี่ยส่วนเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสมตัวนี้ไม่ต้องไปจับปล่อยมนทิ้งเลยเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องเอาจิตคือวิญญาณมาจับกับกาย พิจารณากายในกายพิจารณากายในกายพะา ก, า ก, ก, กายแตกดับพุ้งไปเลยวันนิพพานเลยแยกออกจากกันเลยง่ายเนละในประสูตย์นี้นะแต่้จะมีใครมากที่ทำได้ก็มีพวกเรานี่แหละอาจจะทำได้ฉะนั้นจะถึงเวลาพอสมควรการแนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น